สารถีกับคนถือเชือกพระภิกษุชาวเมืองอาราวีรูปหนึ่งได้ตัดต้ตนไม้ที่เป็นวิมานของเทวดาตามอำเภอใจของตนโดยไม่ยอมฟังคำห้ามปรามของเทวดาผู้เป็นเจ้าของบิมานเทวดาโกรธมาก จึงยกมือขึ้นตั้งใจจะฟาดภิกษุรูปนั้นให้ตายแต่ชุกคิดได้ว่าถ้าฆ่าภิกษุผู้มีศีลต้องไปนรกทั้งยังเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแกเทวดาอื่นๆจึงลดมือลงแล้วไปทูลเรื่องให้พระาศาสดาส่งทราบ พ, พระาศาสดาสดับเรื่องนั้นแล้วตรัสว่าถูกแล้วเทวดา เธอข่มความโกรธที่เกิดขึ้นอย่างนั้นไว้อยู่เหมือนห้ามรถกำลังแล่นไว้ได้ชื่อว่าทำความดีแล้วผู้ใดสะกดความโกรธที่พุ่งพ่านขึ้นเหมือนคนห้ามรถที่กำลังแล่นไปได้เราเรียกผู้นั้นว่าสารถีส่วนคนนอกนี้เป็นเพียงผู้ถือเชือกเมื่อจบเทสนา เทอดาได้ดำรงอยู่ในโสดาบันและได้สถิตในต้นไม้ใกล้คันทากูดีต้นหนึ่งที่พระาศาสดาประทานให้อาศัยเรื่องนี้เป็นเหตุพระาศาสดาทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามภิกษุตัดต้นไม้ วันหนึ่งเศรษฐีชื่อสุมงคลได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้ามีพระนามว่ากัสปะแต่เช้าตรุ่เห็นโจรคนหนึ่งนอนเอาผ้าคลุมร่างทั้งที่มีเท้าเปื้อนโครนจึงพูดว่าเจ้าคนนี้มีเท้าเปื้อนโครนคงเป็นคนที่ท่องเที่ยวในเวลากลางคืนแล้วก็กลับมานอนด้วยเหตุแค่นี้โจร โกรธผู้อาฆาตไว้แล้วรอบเผานาเจครั้งตัดเท้าโคเจครั้งเผาเรือนเจครั้งก็ยังไม่หายแค้นรู้ว่าพระคันธกุดีเป็นของที่รักยิ่งของเศรษฐีก็รอบเผาเสอีกเศรษฐีรู้ข่าวว่าพระคันธกุดีถูกไฟไหม้แทนที่จะโกรธหรือเสียใจกลับตีใจแล้วสร้างพระคันธกุดีถวายพระศาสดาอีก โจรเห็นดังนั้นก็ยิ่งแ้นเดินเตรอยู่ในวิหารถึง7วันก็ไม่มีโอกาสฆ่าเศรษฐีได้ฝ่ายเศรษฐีถวายทานแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขสิ้นเจ็วันถวายบังคมพระศาสดาแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุรุษผู้หนึ่งเผานาของข้าพระองค์ถึงเจครั้งตัดเท้าโคเจครั้งเผาเรือนเจ็ครั้ง แม้พระคันทากุดีก็คงเป็นเจ้าคนนั้นแหละเผาข้าพระองค์ขอให้ส่วนบุญในทา น, นี้แก่เขาก่อนโจนได้ยินดังนั้นเกิดสำนึกผิดว่าได้ทำกรรมอันหนักต่อเศรษฐีผู้ไม่โกรธแค้นเลยยังกลับให้ส่วนบุญในทานนี้แก่ตนอีกจึงเข้าไปหมอบใกล้เท้าเศรษฐีกล่าวขออภยัย เศรษฐีก็ให้อภัยโจรขอมอบตัวเป็นทาสแต่เศรษฐีไม่รับเมื่อโจรสิ้นอายุไขก็ไปหมกหไหมในเอเวจีหลังจากนั้นก็เกิดเป็นเปรตถูกไฟไหม้ทั้งตัวโดยวิบากแห่งกรรมที่ยังเหลืออยู่ซารถีหมายถึงคนบังคับรถหรือม้า คนที่ทำให้รถแล่นไปเร็วยังไม่จัดว่าเป็นสารถีคนที่รู้ว่าเมื่อไรควรช้าเมื่อไรควรเร็วเมื่อเร็วแล้วก็สามารถหยุดได้ตามเวลาที่ต้องการในที่ที่ต้องการจึงจัดเป็นสารถีทั้งที่กำลังโกรธเทวดาก็สามารถหยุดความโกรธของตนจึงได้ชื่อว่าเป็นสารถีส่วนคนที่บังคับความโกรธไม่ได้ พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นเพียงคนถือเชือกโจรในเรื่องจัดเป็นบุคคลประเภทผู้ถือเชือกเพราะบังคับความโกรธไม่ได้ตกเป็นธาตุความโกรธทำตามคำบงการของความโกรธก่อความเสียหายแก่ตนเองและผู้อื่นไปแล้วพอจะรู้ตัวก็สายไปเช่นแล้ว จึงขอให้ทุกท่านถือเอาเรื่องทั้งสองนี้เป็นบทเรียนอย่าตกเป็นทาสของความโกรธเพราะอาจได้รับผลตอบแทนที่น่าสยดสยองอย่างโจรเมื่อรู้ตัวว่าโกรธก็รีบระ ง, งับเสียก่อนที่จะก่อความเสียหายอย่างลุกเทวดาแต่ที่ดีที่สุดควรเอาอย่างเศรษฐีผู้ไม่โกรธเลยแมในเรื่องที่น่าจะโกรธ มีอะไรน่ากโกรธอย่าโทษเขาต้องโทษเราว่าใจไม่เข้มแข็งเรื่องน่ากโกรธแม้นว่าจะมาแรงถ้าใจแข็งเหนือกว่าชนะมัน